สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมันครับในสองสามเดือนต่อจากนี้นะครับเราจะเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เจ้าของเรานะครับชีวิตของพระเยซู น, นั้นได้บันทึกอยู่ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับสามเล่มแรกเราเรียกว่ากิตติกุณพ้องก็คือ s y n นอปติกกอสเปนะครับจะมีเรื่องราวที่สอดคล้องกันประหนึ่งว่าเป็นพื้นฐานการเขียน นะครับมาจากคนคนเดียวกันซึ่งเขียนเป็นคนแรกคือมารโกและจากการเพิ่มเติมสืบส่ะเอาความจริงอย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยําทำให้เกิดพระกัมภีเล่มต่อๆมาก็คือมัทธิวและลูกายอนนั้นเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายซึ่งพูดถึงชีวิตประวัติพระเยซูที่เขียนหลังสุดอย่างไรก็ตามครับพี่น้องครับชีวประวัติของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องราวที่น่า สำคัญจดจำและเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเหตุที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้สามสิบสามปีเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบร0อยเปอร์เซนต์และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตทำให้เราจะเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพระเยซูได้พี่น้องครับเราจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กของพระเยซูครับในเช้าวันนี้อีกสองสามเดือนข้างหน้านี้เป็นเรื่องที่พี่น้อง จะได้ยินได้ฟังชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ในวัยเด็กนั้นพระเยซูทรงอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเลสแควนกาลิลีซึ่งชีวิตเหล่านี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระรัมลูกาบทที่สองนะครับลูกาบทที่สองนั้นบันทึกถึงพระกําเนิดของพระเยซูบันทึกถึงบรรดาผู้เลี้ยงแกะและเหล่าทูตสวรรค์ บันทึกถึงชีวิตของพระเยซูเมื่อครบแปดวันหลังจากที่เกิดในโลกนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ของพระเยซูคือโยเซฟมารีถวายพระกุมารในพระวิหารนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังรู้ว่าโยเซฟและมารีนั้นก็พาพระกุมารเยซูกลับไปที่เมืองนาซาเลสครับเพื่อที่จะดําเนินชีวิตเติบใหญ่ขึ้นที่นั่นและการถวายพระเยซูในพระวิหารตอนที่พระองค์ได้มีพระชนสิบสองพันสา นะครับพวิหารนั้นอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเดินทางจากนาซาเ็สไปที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ในทุกๆปีนะครับมิรามานดาจะต้องพาลูกของตนก็คือพระเยซูได้ไปเฉลิมฉลองนมัสการพระเจ้าในเทศกาลปัสคาทุกๆปีเราจะเห็นว่าครอบครัวของพระเยซูในวัยเด็กนั้นมีความอบอุ่นมาก เปเยซูหลังจากที่พระองค์ประสูติในเบ็ดไรเฮมแล้วนะครับและไปอยู่ที่อียิปต์ระยะหนึ่งแล้วนะครับเรารู้ว่าเปเยซูเติบใหญ่ที่นาสาเล็์บิดามารดาของพระองค์ก็ไม่ได้ร่ำรวยรู้ได้จากเครื่องบูชาที่มารีและโยเซฟนําไปถวายที่พระวิหารครับเป็นเครื่องบูชาของคนที่ไม่ร่ำรวยใช้จริงแล้วเป็นเครื่องบูชาของคนที่ยากจนด้วย หลังจากที่ถวายพระกุมารเยซูนะครับโยเซฟก็กลับไปอยู่ที่นาสเรตท่านเป็นช่างไม้รพเยซูมีพี่น้องนะครับชายหญิงเป็นพี่น้องผู้ชายนะครับชื่อยากอบโยเซยูดาและซีโมนมีน้องสาวแต่ไม่ปรากฏชื่อครับนักวิชาการเชื่อว่าโยเซฟคงจะเสียชีวิตไปก่อนพระเยซู อายุสาสิบเพราะว่าอายุสาสิบนั้นพระเยซูได้ออกมาปณิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วโยเซฟเสียชีวิตไปตั้งแต่พระเยซูยังไม่ออกจากบ้านครับเพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่มีหลักฐานการเขียนถึงโยเซฟอีกอีกเลยนะครับมารีซึ่งเป็นคุณแม่นั้นมีชีวิตอยู่จนถึงเห็นพระเยซูสิ้นพระชนบนไมกก้กางเขนพระเยซูคงจะเรียนวิชาชีพช่างไม้จากโยเซฟในฐานะที่เป็นลูกชายบุตรหัวปี พระเยซูต้องรับผิดชอบในการทำหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องหลังจากที่โยเซฟตายไปแล้วเวลาที่พระเยซูอายุสามปีพง์ก็ทรงเริ่มต้นใส่เสื้อผ้าที่มีผู้ห้อยที่มุมชายเสื้อเหมือนกับเด็กชาวยิวทุกคนนะครับและซึ่งเสื้อผ้าซึ่งมีผู้ห้อยที่มุมชายเสื้อนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเด็กชาวยิวทุกคนให้ระลึกถึงบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาจะต้องไม่ทําอะไรตามใจชอบของตัวเองเราเห็นนะครับว่าบทเรียนหรือการสอนเด็กยิวนั้นเข้มข้นเข่งคัดและเข้มแข็งมากครับเพราะว่าสามปีนะครับอายุสามขวบต้องมีเครื่องเตือนใจมีเสื้อผ้าที่เป็นผู้ห้อยและเตือนใจตัวเองว่าต้องไม่ทําอะไรตามใจชอบของตัวเอง พี่น้องครับในธรรมเนียมของชาวยูในกันดาวิถีบทที่สิบห้านะครับถ้าพี่น้องอยากจะอ่านพี่น้องกลับไปอ่านนะครับบทที่สิบห้าข้อที่สามสิบเจ็ดถึงข้อที่สี่สิบเอ็ดเราจะเห็นว่าเชือกผ้าที่มีผู้ห้อยนั้นแต่ละผู้จะมีได้แปดเส้นและมีปมห้าปมเป็นเครื่องหมายของเลขสิบสามครับเพราะเพราะว่าแปดบวกห้าก็คือสิบสามคำภาษาฮีบรูของคาว่าผู้ก็คือชิชนะครับซึ่งเป็นตัวเลขนะครับ เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของตัวเลขหกร้อยซึ่งตัวเลขหกร้อยนี้ก็เป็นตัวเลขที่เตือนใจคนยิวและเด็กยิวว่าบทบัญญัติของโมเสสนะครับซึ่งเป็นกฎหมายของชาวยิวตามจํานวนบทบัญญัตินั้นมีหกร้อยสิบสามข้อด้วยกันซึ่งพวกเขาจะต้องท่องจําให้ได้เมื่อพระเยซูยังเล็กอยู่คุณแม่ของพระเยซูจะต้องสอนเรื่องราวต่างๆเยอะแ ย, ยะมากมายทั้งพิธีกรรมทั้งธรรมเนียม พระเยซูย่อมต้องได้เห็นมารีจุดตะเกียงสบาโตครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วทุกๆค่ําวันศุกร์จะต้องได้ยินได้เห็นมารดาจุดตะเกียงสบาโตและได้ยินมารดาที่ฐานเผื่อครอบครัวโยเซฟนั้นผู้เป็นคุณพ่อเขามีหน้าที่นะครับในครอบครัวของคนยิวคือต้องอ่านม้วนหนังสือประจําครอบครัวสมัยนั้นพระคัมีบันทึกเป็นม้วนหนังสือนะครับ ยามค่ําคืนครอบครัวชาวยิวจะต้องมีช่วงเวลาอธิษฐานบนดาดฟ้าหลังอาหารเย็นนี่เป็นธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นพระเยซูคงจะเห็นธรรมเนียมที่คุณพ่อโยเซฟปฏิบัติเมื่อจะเข้าบ้านหรือจะออกจากบ้านนะครับที่ประตูบ้านนั้นจะต้องมีกล่องโลหะเรียกว่าเมซูซาครับแขวนไว้ที่เสาประตูด้านนอกภายในกล่องนั้นจะมีม้วนหนังสือเล็กๆบันทึกข้อความที่เขียนไว้อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบที่หกข้อสี่ครับ ม้วนหนังสือเล็กๆนี้ชาวยิวเรียกกันว่าเชมานะครับเชมาแปลว่าจงฟังเขาจะต้องอ่านบทที่หกข้อสี่ของเฉลยธรรมญัตินี้ให้เด็กยินให้เด็กได้ยินข้อความนี้ทุกครั้งที่พ่อจะเข้าออกบ้านเพื่อเตือนให้เด็กทุกคนในบ้านรู้ว่าจงฟังอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดเชมายิสูเอล และเขาจะต้องท่องจนขึ้นใจนะครับทันทีเมื่อเริ่มพูดเป็นครับ mm hmm. เมื่อพระเยซูอายุห้าขวบนะครับพระเยซูคงจะเริ่มเรียนพระกัมพีจากโยเซฟ mm hmm. ก่อนวัยเรียนนั้นมารีจ้องเป็นคนสอนนอกจากนี้พระเยซูคงจะต้องรับการสอนจากศาลธรรมหรือธรมารมศาลาซึ่งเป็นที่ชุมนุมทางศาสนาของยิว mm hmm. เราจะรู้นะครับว่า ชุมชนชาวยิวที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มนั้นเขาอาจจะไม่ได้สามารถมาที่เยรูซาเล็มในทุกๆวันสบาโตได้เพราะฉะนั้นโบสถ์ของคนยิวหรือธรรมศาลานั้นมีหน้าที่ที่จะช่วยให้เด็กชาวยิวนั้นรู้จักธรรมบัญญัตินะครับบทบัญญัติชาวยิวกำหนดให้เด็กผู้ชายทุกคนเล่าเรียนพระกัมภี ครูที่สอนให้พระเยซูอ่านออกเขียนได้ซึ่งเรียกว่ารับบีนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนวิชาภาษาฮีบรูและภาษาอาราเมกภาษาฮีบรูนั้นเป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระกัมภีรเดิมครับและภาษาอาราเมกนั้นก็เป็นภาษาท้องถิ่นของผู้คนในแคว้นกาลิลีในชั้นเรียนที่ธรธรมศ า, าลานั้นเด็กผู้ชายจะต้องนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่พื้นครับฟังครูสอนซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือมา้าเตี้ย ทันทีที่เริ่มเรียนดูเด็กๆจะต้องเรียนบทบัญญัติของโมเสสในแต่ละชั้นนั้นมีเด็กไม่เกิน25คนครับและในช่วงปีแรกก็จะเรียนบทบัญญัติของโมเสสหนังสือผู้เผยพระชนะเรียนอ่านและท่องจําจนขึ้นใจอี่นงศ์บทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราได้สอนลูกหลานของเราในทางของพระเจ้าเข้มข้นเข้มแข็งเหมือนกับครอบครัวของพระเยซูหรือเปล่าครอบครัวของพระเยซูนั้นเป็นครอบครัวชาวยิวธรรมดา แต่ได้รับคําบัญชาจากทูตสวรรค์ว่าเขาจะประสูติเด็กชายจงเรียกชื่อของเขาว่าเยซูเขาจะเป็นที่หวังเป็นความหวังเป็นความรอดของทุกๆคนในโลกพี่น้องครับครอบครัวของโยเซฟนั้นได้รับภารกิจยิ่งใหญ่จากพระเจ้าคําถามก็คือว่าครอบครัวของพวกเราได้รับภารกิจยิ่งใหญ่เช่นนั้นหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน